มาตะกียตผมชอบทานขา้าวโพดหวานมามราตกุกุริผมชอบทานแตงกวามามราตโอคุรเกผมชอบทานมะเขือเทศมามราตไรชตะคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับมาตตะกียร์ตก คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับมา e ตตาเกรัตกิคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับมาเตตาเกรัตชอดชูกคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับมาชตาเกรัตมาร์เกคุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับมกรัตบรกลีซี คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับม้าชเทราดพัพริกุผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่นำมันรัดซิบ u l ิผมไม่ชอบมากอกนำมันรัดอลิวิผมไม่ชอบเห็ดนำมันรัดหูบิ